เมื่อ3ามันก่อนนะมีข่าวใหญ่มากเลยนะเกี่ยวกับจามาคือข่าวว่าจามาจะไปเป็นเจ้า ว, วาดวัระธรรมกายเป็นข่าวที่มาไม่รู้อีน้อยเนเลยนะแล้วก็มันบอกอะไรหลายอย่างนะเกี่ยวกับสื่อมวลชนแล้วก็สังคมไทย เริ่มต้นก็คือว่ามีข่าวเป็นบทความดีก่อนนะเป็นบนความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็รายงานว่าเปการเตรียมเสนอเชื่อธรรมมนะไปเป็นเจ้าวาดวัพรธรรมกายแล้วก็เขียนว่าอ ร, รมานี่มีความเหมาะสมอย่างไรบ้างนะแล้วก็ เชื่อว่าจะมาก็จะไปช่วยแก้ปัญหาสะสางปัญหาด้วยรรมกายได้เบอร์ความที่เขียนไม่ตูวเป็นตาเลยน ะ, ะประมาณหนึ่งสามของหน้าอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่สองสามชั่วโมงต่อมาก็มีข่าวประกบในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่า คล้ายๆว่าธรรมายเนี่ยรับเป็นเจ้าบานพระธรรมกายแล้วแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เตรีมฉลองข่าวแรกนี่เพียงแค่ว่ามีการเสนอเชื่อธรรมานะไม่ได้บอกว่าธรรมาจะรับรู้ด้วยข่าวที่สองนี่เหมือนกับว่าธรรมารับรู้แล้วแล้วก็รับรับเป็นลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องฉลอง แล้วก็ลือไปต่อไปว่าเนี่ยไอเขาว่าอย่างที่ต่อฉลองเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์พูดนะอาจจะมาพูดเองคราวนี้ก็ไปกันใหญ่เลยคราวนี้แหละก็เลยข่าวก็เลยแพร่กระจายไปทาง a ฟ e b o o k แล้วก็ l ล n e ตอลอดทั้งเช้าจนเที่ยงอาจจะมาไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าตอนนั้นไปบรรยายปิดโทรศัพท์ พอเปิดโทรศัพท์ก็มีคนมาถามก็เลยบอ ก, กเขาไปว่ามันเป็นข่าวกุข่าวร่วงนะเพราะว่าไม่มีใครมาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือมาสอบถามความเห็นหรือมาท้าทามเลยอนจี่ เ, เป็นข่าวคมลอยก็ได้แล้วก็ย้ำไปว่าเนี่ย ถ้าเขาเสนอมาก็ปฏิเสธนะเรื่องนี้มันก็แร่ไปไกลไปถึงต่างประเทศนะคนไทยต่างประเทศก็เขียมนมาถามบางคนก็ดีดนดีนะบางคนก็ดีใจแต่บางคนก็บอกใช่เหรอนะเป็นไปได้ยังไงพระไปสารรับเป็นเจ้าวาดรับระสาม ก, กายมันคนละ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 เขาก็พูดกับนักข่าวว่าถ้าให้พระอาจ า, ยารย์ไพศาลไปเป็นเจ้าว่าดวัระธ ร, รมการนี่จะแก้ปัญหาได้พูดแค่เนี่ยนะวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวเลยก็เนี่ยก็เลยประกวดเปิดความว่าเตรียมชงเรื่องให้พระไพศาลเป็นเจ้าว่าพระธรมการถือไปเป็นแค่ความเห็นน่ะ เราก็ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยก็แค่ความเห็นว่าเออถ้าให้พระไัยสารไปเป็นเจ้าวาดนี่คงดีนะข่าววันรุ่งขึ้นกันว่าชงเรื่องพระไัยสารเป็นเจ้าวาดไปกี่ชัมม่วโมงต่อมาก็กันว่าพระไัยสาลบอกว่าอย่างนี้ต้องฉลองไปไกเลเรื่อยนะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามไป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 ข่าวที่ไม่มีมูลความจริงก็เชื่อที่จริงถ้าอ่านข่าวเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นแค่ความเห็นหรือว่ามันไม่นับเป็นไปได้ยิ่งคนที่อย่าตจะมาแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอยู่วัดป่าเที่ไปไปเป็นเจ้าวัดบัดเมืองขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเทวทยานนะ จะไปทําอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความสามารถด้วยนะคือถ้ามองว่าเออแหล่งข่าวเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏแหล่งข่าวไม่ปรากฏที่มาข้อที่หนึ่งแล้วก็ทีสองเนี่ยความเป็นไปได้ก็ยากบางข่าวก็บอกว่าอาตมาได้รับทราบเรื่องนี้จากเพื่อนก็คือถ้านอาจาดุษฎี เปทางกุโรซึ่งเป็นเจ้าว่าที่วัดทุ่งไผ่ชุมพรท่านอยู่ชุมพรนะเรื่องนี้ถ้าตจะมาจะได้ทราบข่าวเขาควรจะมาจากพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะที่ดูแลเรื่องเขตพื้นที่ว่าพนม ก, กาญเช่นปทุมหรือว่ากรุงเทพนั่งเป็นต้นนะ อันนี้ก็ชื่อเห็นว่าคนไทยเราเชื่อข่าวหรือได้ง่ายไม่ตรวจสอบบางคนก็ไม่พูดห่านทำเพลงก็เขียนด่าหรือว่าคอมเมนต์ว่าแต่ว่าอตาตมาคิดว่ามันอย่างสะท้อนอีกอย่างหนึ่งนะที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่ผู้คนจำนวนมาก อันนี้เป็นสายสําคัญที่ทําให้แพรขาวนุ่นแพร่กระจายไปทั่วด้วยความยินดีปรีดาปราโมทนะก็คือคนไทยเราเนี่ยโหยหาอสุรมาขาวนะตอนนี้มันมีปัญหาว่าพัทมกายแล้วคิดว่าปัญหานี้จะแก้ได้ด้วยการที่มีใครสักคนเนี่ยมาจัดการเราก็เรียกว่าอสุรมาขาว อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในหมู่คนไทยจำนวนมากเราต้องการอาวินมากขาวเวลามีปัญหาอะไรก็คิดว่าอยากจะมีใครสักคนมาช่วยจัดการนี้ตอนที่มีปัญหาตอนที่มีการเรื่องสมณศักดิ์ท่านเจ้าคุณพรมคุณาพรขึ้นเป็นสมเด็จพระพระราชาคณะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์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 กระแสนี่มันก็เกิดจากกระแสที่โหยหาอวินมาขาวนะมาแก้ปัญหาปัญหาคณะสงฆ์ก็ดีปัญหาวัฒนธรรมการก็ดีมันเป็นปัญหาที่มีเหตุปัจจัยเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ปัจจัยส่วนบุคคลแต่เป็นปัจจัยทางสังคมเรืยกปัจจัยเชิงระบบนะซึ่งถ้าอธิบายที่นี้ก็ยาวนะมันไม่ใช่แว่า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 มีใครคนใดคนหนึ่งมาอธรมากี้วันเนี่ยคือปัญญนี่ยคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอาการแพร่หลายกระจายข่าวนี้นะคือคิดว่าถ้ามีพระภัยารมาเป็นเจ้าว่าแล้วเนี่ยวพระปฐมกาลเนี่ยปัญหาจะแก้ได้คนที่เข้าใจปัญหาดีเขาจะรู้เลยว่าถ้าพรภัยารไปเป็นเจ้าว่าพระปฐมกายนี่ตายแน่นะหมดสภาพนะ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 ซ้ำซากนะแล้วก็เต็มรับผ่อนอิสิตังปฏิตังทุมหังทอยทพนที่ทานป่าธนาแล้วตั้งใจแล้วทิบาเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาปนัาเพบปุเรนตุสังกับปาพอความดำรีท่างบวงจงเต็มที่จันโทบรารนโซยัตาเหมือนพระอาจารย์นายวานเพนมณีโชจิระโซยัตา เหมือนแกวเมือนียสว่างสวัยควรินดีสัพีติโยวิวาจันตุวันจันไรทั้งวงจงบำราบไปสัพพาโรคโควินาสตุโลกทั้งวงของท่านจงหายมาเตพา ว, วันตรารโย อ, อันดรา ย, ยามีแก่ทยยุโยกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาวาธานาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจ ด, ดารุณธรวันทันทีอายุวันโนสุขังพลังภาะกันคืออายุวันนาสุขะพะรายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวันดูสามพมังพลังขอสาพามงคลรงมีแก่ท่าม ดูสาพาเท ว, ว่ตาตาข้อลาเทว่าตาทางผงสองรักษานานด า, าพาภูนานุพาเวนาด้วยอนุพาแห่งพระพูจ้จเจ้าสาพาสัมมานุพาเวนาด้วยอนุพาแห่งพระธ า, ารมด่าพาสังฆานุพาเวนาด้วยอนุพาแห่งพระรงสงฆ์กาตาขอเทีพวันดูเธ ขอความสวัสดีทางไลงน์จงมีการท่านุกเมื่อเธิ